อยากจะทบทวนว่าพระโพธิสัตว์นั้นก็ไม่ใช่ว่าจะทํากุศลไปสะทุกภบทุกชาติไปหมดเนี่ยนะหรือว่าถ้าพูดไปอีกในหนึ่งอนะว่าโลกนี้โดยมากแล้วมันเป็นโลกที่ตั้งแห่งการทําบาปและอกุศลยามเมื่อเข้าไปอยู่ใกล้บุคคลที่ทําอกุศลเราจะทํากุศลได้ไหมขอโทษว่ายากก็เปื้อนบาปกับเข้าไปเรื่อยอย่างสมัยที่เกิดมายุคมีสงครามพอดีเนี่ยทําไง ตั้นไปเป็นแม่ทัพอย่างนี้เขาก็หรือไม่ก็ไปอยู่ในถ้ำกลางของสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิจฉาทิฐิหลายครั้งก็ไปนึกเห็นด้วยกับเขาเห็นด้วยร่วมเมื่อไหร่ก็เป็นบาปไปทุกครั้งไปเพรา ะ, ะนั้นพระโพธิสัตว์นั้นจึงได้รับวิบากที่ไม่น่าปรารถนาในหลายภพหลายชาติบางชาติพระองค์ก็เป็นพระราชาก็ทำบาปทำมักุสลในบางอย่างเนี่ยนะก็ทำให้ชีวิตตกต่าเหมือนกัน หรือว่าอย่างชาติที่เป็นจันทานั้นก็อดีตท่า น, นเคยเป็นผู้มีมานะมากลำพองมากอะไรมากกรรมเหล่านั้นก็เป็นตัจัจให้เกิดในชาติตระกูลต่านั่นเองแต่ว่าพูดถึงระหว่างพระเทวทัตกับพระโพธิสัต้ น, นในอดีตชาติใดก็ตามที่พระเทวทัตนั้นมีความผิดกับพระโพธิสัต tn คือไปทำบาปทำอกุศลกับท่านไปดูถูกท่านไปประทุสร้ายท่าน ก็ตกนรกหลายชาติพันพระเทวทัศน์นั้นเป็นผู้มีเวรกับพระโพธิสัตว์ถึงกับตกต่ําหลายชาติตกนรกหลายชาติหมกไหมยอยู่ในภพนั้นๆบาปก็ให้ผลทีนี้ย้อนกลับมาหาฝ่ายพระเทวทัศน์ว่าปกติแล้วพระเทวทัศนนั้นสมัยที่ท่านมีอํานาจมียศมีเดชมีความรุ่งเรืองท่านก็ไม่ได้ทําบาปอย่างเดียวเพราะ แม้พระเทวทัตพอได้ดำรงอยู่ในอิสริยะฐานะแล้วอิสริยะเนี่ยก็คื อ, อเป็นอิสระเป็นผู้มีอำนาจเป็นอิสระชนเป็นเสรีชนเป็นผู้ที่มีเดชมีฤทธิม์มีอานาจเนี่ยนะท่านก็ทำบุญเหมือนกันเช่นให้การคุ้มครองรักษาชนในท้องที่คิดอีกนายหนึ่งบอกว่าพระเทวทัตถ้าท่านเลวบริสุทธิ์ท่านจะเป็นพระปเจกได้อย่างไรนาย อนาคตพระประเจพระประเจกนั้นท่านต้องสั่งสมบุญเท่าไหร่สองอสงไข่หนึ่งหนึ่งแสนกับพันพระเทวทัตก็เป็นผู้มีบุญเายกตัวอย่างบุญที่พระเทวทัตได้ทําคือให้การคุ้มครองรักษาชนในท้องที่ก็คือช่วยดูแลนะเมื่อมีอำนาจก็ปกครองให้บุคคลทั้งหลายทั่วไปนั้นปกครองโดยธรรมท่านเป็นผู้ปกครองโดยธรรม ให้สร้างสะพานเนี่ยนะท่านก็สร้างสะพานสร้างสภาศาลาบำเพ็ญบุญเนี่ยนะเส้นสร้างสภานะเป็นที่ใช้สอยของคนจำนวนมากสร้างศาลาริมทางสร้างที่พักที่อาศัยเนี่ยและก็ให้ทานเท่าที่เขาต้องการแก่พวกสมณะหรือพรามทั้งหลายมันก็เป็นผู้ที่ทำบุญไว้ไม่น้อยท่านก็พระเทวทัตก็ให้ทานแก่คนกําพราให้ทานแก่คน วันนี้พกให้ทานแก่คนที่ไม่มีที่พึ่งให้ทานแก่คนที่ไร้ที่พึ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระเทวทัตนั้นจึงได้รับสมบัติทั้งหลายในแต่ละพบเพราะวิบากแห่งกุศลเหล่านั้นเนี่ยนะเพราะท่านเป็นผู้มีบุญอันกระทำไว้แล้วในการก่อนบุญเหล่านั้นก็ทําให้เกิดเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มีเดช ม, มีอํานาจเนี่ยนะมีชาติตระกูลสูงสุขภาพดีเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้มีพะละงกําลัง ขอถวายพระพรใครๆไม่อาจจะกล่าวได้หรือว่าบุคคลแม้เว้นจากทานจากศีลจากเครื่องฝึกตนจากทําเครื่องสํารวมจากอุโบสถกรรมและจากสเสวยสมบัติเหล่านี้ได้ก็ปแปลว่าพระเทวทัตในอดีต ท, ท่านก็ให้ทานไม่ใช่น้อยท่านจึงเป็นพระราชามหากษัตริย์เป็นเทวดาเป็นต้นท่านก็รักษาศีลไว้นานไม่มากท่านก็เป็นผู้ที่ฝึกตนเนี่ยนะฝึกด้วยสมถะและ วิปัสสนาท่านก็เป็นผู้มีสังวรอินทรีย์สังวรเนี่ยนะเช่นศีลสังวรสติสังวรญาณนะขันติวิริยะสังวรพอสมควรแหละและท่านก็เป็นผู้ที่รักษาอุโบสถก็คือรักสมาทานอุโบสถศีลถ้าหากว่าไม่ได้ทํำสิ่งเหล่านี้ท่านโดยเฉพาะอย่างท่าสุทาเนี่ยท่านจะมาเกิดในสัสกกายตระกูลตระกูลผู้มียศได้อย่างไร นะนะตระกูลที่มีศักดิ์รีได้อย่างไรและถ้าท่านไม่แน่จริงเนี่ยนะท่านก็ไม่ได้ออกบวชแล้วบวชแล้วท่านก็ไม่สามารถทําอภิญญาห้าสมาบัตแปดให้เกิดได้ท่านก็ไม่สามารถส่งพระตรายปิฎกได้ก็แสดงว่าท่านเป็นผู้ที่มีบุญไม่น้อยทําบุญไว้มากท่านจึงทรงพระตราปิฎกเนี่ยนะคุณสมบัติของท่านมีเยอะมากเลยนะแต่ที่ว่าเนื่องจากว่าท่านเป็นเอ่อเนื่องจากผลของการตั้งจิตไว้ผิดสมาทานความเป็นคู่เวรไว้กับ พระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งเรียกว่าตั้งใจผูกเวรเอาไว้เพรัะเมื่อเจอคนมีเวรเมื่อไหร่มันก็มันก็อดไม่ได้มันต้องแกล้งอ่ะมันมันมันรู้สึกมันหมันไสลึกๆอ่ะนะแล้ว่าเจอบางคนนี่มันรําคาญเขว่าไนราคาญมันก็จะนิกอยากจะหาเรื่องบางคนที่เข้าใจคํานี้จะเข้าใจดีเพราะว่าเจอบางคนเนี่เราเจอคนที่ล้ํากันอะไรนั้นไม่กินเส้นกันอ่ะไม่รู้เป็นยังไงถ้าได้ด่าแล้วมันมีความสุขว่า้นถ้าได้ด่าได้ทําร้ายได้นำหนี้ได้ คือได้พูดถึงแล้วก็เหยียบย่ำซะหน่อยแล้วก็มีความสุขและสบาใจแล้วคือคนคู่เวรกันจะเป็นแบบนั้นแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้ตั้งเวรไว้กับพระเทวทัตเลยไม่ได้สมาทานที่จะมีเวรต่อพระเทวทัตแต่พระเทวทัตสมาทานที่ขอมีเวรแก่พระโพธิสัตว์ตลอดไปแล้วตั้งไว้ชนิดตลอดไปด้วยนะไม่ได้ว่าเออเดี๋ยวสักวันหนึ่งเรามามาพอกันน ะ, ะนะยุติกันแล้วนะเวรครั้งนี้พอเท็กพอกันทีบอกไม่ มีแต่บอกแม้สะใจสะใจเนี่ยนะถ้าทำได้เท่าไหร่ก็มีแต่ความสะใจมีแต่ความสุขนันถ้ายิ่งอีกฝ่ายหนึ่งตกต่ำขนาดไหนโอ้ยดีใจมากเลยนะสังเกตว่าถ้าเราเกลียดใครเนี่ยนะสังเกตดูถ้าเราได้ฟังข่าวว่าเขาตกต่ำเมื่อไรแล้วเราดีใจนะยิ้มแป้เลยนั่นแหละแสดงว่าเราไม่ก็ชอบเขาเท่าไหร่หรอก แต่ถ้าฟังว่าเขาเนี่ยตกต่ำป้าเราก็เศร้าใจนี่ก็แสดงว่าเราก็มีความผูกพันกันพอสมควรว่ากันแต่ถ้าบอกว่าโอ้ได้ข่าวว่าตกตา่าเลวซามไปแล้วในยิ้มมีความสุขมากถ้าอีกฝ่ายหนึ่งตกต่ำแต่ถ้าฟังว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะได้ดิบได้ดีอันใดอันหนึ่งแล้วรู้สึกํำคาญ ร, รู้สึกํำคาญมากเลยนะได้ดีได้ยังไงวอย่างเงี้ยนะ ไม่แค่นั้นแหละเนี่ยนะรู้สึกมันไส่มากๆเลยถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่านั่นแหละลักษณะของสั่งสมอัธยาศัยที่จะเป็นคู่เวรกันต่อไปในอนาคตเนี่ยนะขอถวายพระพรมหาบาพิตรข้อที่พระองค์ตรัสอย่างนี้ว่าพระเทวทัตและพระโพธิสัตว์คอยเวียนมาพบกันเป็นประจำดังนี้จริงๆแล้วพระเทวทัตและพระโพธิสัตว์นั้นเวลาล่วงไปเป็นร้อยชาติก็ยังไม่ได้พบปะเกี่ยวข้องกัน บางทีก็ล่วงไปเป็นพันชาติก็ยังไม่ได้พบปะเกี่ยวข้องกันบางทีก็ล่วงแล้วไปเป็นแสนชาติก็ยังไม่ได้พบปะเกี่ยวข้องกันเวลาล่วงไปหลายวันหลายคืนหนักหนาจึงจะได้พบปะเกี่ยวข้องกันสักครั้งหนึ่งสักพบหนึ่งสักชาติหนึ่งขอถวายพระพร อ, อุปมาเรื่องเต่าตาบอดที่เปรียบเหมือนการได้ความเป็นมนุษย์ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไวน้นี้ขอจงทรงใช้เป็นอุปมาเปรียบเทียบการได้พบปะเกี่ยวข้องกันแห่งบุคคลทั้งสองนี้เถิดไม่ใช่ว่าบุคคลทั้งสองนี้จะได้พบกันบ่อยๆเกี่ยวข้าเกี่ยวข้องกันบ่อยๆทุกพทุกชาติไม่ใช่เลยอย่างเช่นนานมากเลยนะที่บอกว่าอุปมารเรื่องเต่าตาบอดอธิบายว่าสาหรับสัตว์ที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัต การที่จะมีโอกาสได้ความเป็นมนุษย์บ้างสักชาติหนึ่งนั้นน่ะเป็นสิ่งที่หาได้แสนยากคำว่าแสนก็แปลว่าเกินนะเกินหมืน่นเกินพันเกินร้อยเกินหลักหน่วยธรรมดาทั่วๆไปมันเยอะมากนะเป็นแสนนะฟังกันเถอะแสนมันเยอะมากนานเป็นแสนแสนชาตินะกว่าจะได้พบปะเจอเจอกันสักครั้งหนึ่งเหมือนอย่างว่าเต่าตาบอดท่องเที่ยวไปในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ เต่าตัวโตๆตัวหนึ่งเนี่ยนะที่ดับผดอ่ะเรียกว่าร้อยปีเนี่ยนะเต่าตัวนั้นอ่ะโดยมากมุดอยู่หายใจยังไงไม่ทราบแต่ว่าโดยมากมุดอยู่นานจะโผล่ขึ้นเหนือน้ําสักครั้งเดียวทุกๆร้อยปีโผล่ทีเดียวทีนี้ก็มีบ่วงใหญ่อยู่ตัวหนึ่งมีบ่วงนะคาร์ฮวงยางหรือบ่วงใหญ่เนี่ยคอยดักเนี่ยแต่บ่วงนี้มันก็ลอยตามกระแสคลื่นไป เคลื่อนพัดไปตะวันออกมันก็ลอยไปทีต่ตะวันออกเคลื่อนพัดไปใต้มันก็ลอยไปใต้เคลื่อนพัดไปตะวันตกมันก็ลอยไปตะวันตกเคลื่อนพัดไปทางทิศเหนือมันก็ลอยไปทางทิศเหนือมันก็ลอยไม่ได้หยุดนิ่งเลยเต่าตาบอดเนี่ยร้อยปีโผล่มาทีร้อยปีโผล่มาทีหนึงมันนะก็บอกว่าฉันใดยากนักหนาที่เต่าตาบอดจะโผล่คอมาสวมบ่วงพอดีเป๊ะเนี่ยนะยาก ฉั้นใดคนพานที่ไปสู่อบายทุกติวินิบาตนรกหรือไปเกิดเป็นเดรชาแล้วยากที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกถามว่าสัตว์ในทะเลเนี่ยนะสัตว์ในทะเลโดยเฉพาะปลาเต่าเป็นต้นที่อยู่ในทะเลเนี่ยคิดง่ายๆพวกนั้นจะกลับมาเป็นมนุษย์ได้อย่างไรกตั้งทฤษฎีนี้ขึ้นมานะตั้งโจทย์แบบนี้ขึ้นมานะทาอย่างไรปลาฉลามจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเอาประทูหน้าตัวตัวแบบตัวโตๆหน่อยนะ กว่าจะร่างกายตัวโตขนาดนั้นได้กินสัตว์ประมาณ20ล้านตัวนะหมายความว่าฆ่าปลานาติบาตเนี่ยนะเลี้ยงตัวเนี่ยประมาณ20ล้านตัวเนี่ยนะจึงจะโตแบบเป็นปลาทูน่าตัวโตโตเลยโตกว่าที่เราทานเยอะนะโตมากเลยแต่โตสุดๆของปลาทูน่าเนี่ยกินสัตว์กินปลาด้วยกันเป็นโต้นเนี่ยประมาณ20ล้านตัวมันหนึ่งชาตินี่ต้องฆ่าเท่าไหร่เออถ้าเป็นฉลาม ถ้าไปเป็นสัตว์นมเป็นเดรชานด้วยกันเนี่ยนะถามว่าโอกาสที่จะหลุดกลับมาเป็นมนุษย์คืนเนี่ยเป็นได้อย่างไรเพราะสัตว์ในทะเลนี่มันเยอะมากเช่นพวกไอตัวเล็กๆตั้งแต่แทบจะเล็กๆ เ, เหมือนไรน้ําอ่ะนะนี่เดียวจนถึงว่าทะเลธรรมดาจนถึงทะเลดําทะเลมืดใต้ท้องสมุทรเนี่ยนะลึกเข้าไปเนี่ยเดรชานเต็มไปหมดเลยแล้วพวกนั้นอะยอมว่านานเท่าไหร่นานแค่ไหนจึงจะได้หลุดมาเป็น มนุษย์ได้ทําได้อย่างไรเนี่ยนะเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยยากเหมือนเต่าตาบอดที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะแล้วถามว่าเมื่อทีจะได้พระเทวทัตกว่าจะได้มาเป็นมนุษย์เนี่ยแล้วถามว่าเมื่อไหไรจะได้พบกันสักทีหนึ่งระหว่างพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์า น, นานหนักนานหนาจะได้เจอกันเนี่ยนะยากมากที่จะได้เจอกันมันพวกเราที่มาเจอกันอีกนานก็จะได้เจอกันนะหรือจะได้เจอกันอีกบ่อยก็ไม่แน่นะ เพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องการบกระหว่างบุคคลทั้งสองระหว่างพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์หรือกับพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ของง่ายขอถวายพระพรแต่มันก็เจอกันนะอย่างเช่นชาติที่เป็นพระเวทสันดอรเนี่ยเป็นอะไรเป็นชูชกแต่ว่าพระเทวทัตไม่รู้ท่านใช้ชีวิตยังไงของท่านนะตั้งห้าร้อยกว่าล้านปีห้า้อยเจ็ดสบหกล้านปีเนี่ยนะ พระโพ ธ, ธิสัตว์จุติจากพระเวสสันดรนะก็อยู่ในดุสิตตลอดพระเทวทัตท่านก็ไปของท่านเรื่อยแล้วมาเกิดก่อนพระโพธิสัตว์ได้อีกนะพระน้องสาวของพระเทวทัตก็คือพระนางยโสธราพิมพ์านเนี่ยนะท่านก็มาเกิดก่อนรอพระโพธิสัตว์อยู่แล้วอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกันนะท่านก็มาได้ทันเหมือ น, นกันไดมา ก, ก่อนเลยอะล่วงหน้ามาหน่อยนึงพระโพธิสัตว์เพิ่งลงมาอย่างเงี้ยนะก็ได้เจอกันเรื่อยนะแต่ก็ แต่มันก็หมาว่าทั้งชีวิตเนี่ยนะแต่ว่าใช้ชีวิตแบบเดินทางชนิดเทีย่ยวลุ่มลุ่มโดนโ น, นตลอดพระโพธิสัตว์ไปส บ, สบายสบายใช่แต่พระเทวทัตนี้ใช้ชีวิตแบบลุ่มๆุ่มดนโ ด, ดนขอถวายพระพรมหาบาพิษพระโพธิสัตว์หาได้มีการพบปะเกี่ยวข้องกันกันกบพระเทวทัตเท่านั้นไหมว่าชีวิตน่ยนะชีวิตที่เวียนว่ายตายเกิดเจอคนคนเดียวหรือชาติเดียวเนี่ยนะหนึ่งชาตินี้เจอเท่าไหร่ แม้ท่านภาษาฤาษีบรในเวลาที่ล่วงไปแล้วหลายแสนชาติก็ได้เกิดเป็นบิดาได้เกิดเป็นปู่ได้เกิดเป็นอาได้เกิดเป็นพี่น้องชายได้เกิดเป็นพี่น้องหญิงได้เกิดเป็นบุตรได้เกิดเป็นมิตรของพระโพธิสัตว์มาแล้วอันนั้นได้เกี่ยวข้องกับพระโพธิสัตว์มาไม่ใช่น้อยเลยบางชาติภาษาฤารีบทเป็นนายทหารทหารม้านะพระโพธิสัตว์เป็นมา้าเนี่ยขอถวายพระพรมหาบพิต แม้พระโพธิสัตว์ในเวลาที่ล่วงไปแล้วหลายแสนชาติก็ได้เกิดเป็นบิดาได้เกิดเป็นปู่ได้เกิดเป็นอาได้เกิดเป็นพี่น้องชายได้เกิดเป็นบุตรได้เกิดเป็นพี่น้องชายได้เกิดเป็นพี่น้องหญิงได้เกิดเป็นมิตรของท่านพระสารีบุตรเทระมาแล้วันการเกี่ยวข้องในสังสารวัตรเนี่ยนะอย่างที่ถ้าเราจะโกรธใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะอย่างที่อุ ป, ปมาไว้ที่ แสดงไว้ในวิสุทธิมรรคเนี่ยนะหรือใครเป็นที่เกลียดชังของเราสักคนหนึ่งก็ต้งนึกนะว่าเขาเคยเป็นอะไรเคยเป็นพ่อของเรามาแล้วนะเขาเคยเป็นปู่ของเราเกิดเป็นอาเกิดเป็นพี่น้องชายได้เกิดเป็นลูกของเราเกิดเป็นพี่น้องหญิงได้เกิดเป็นเพื่อนเราเนี่ยนะเป็นต้นมันคนที่เราเกลียดก็ไม่ใช่ว่าเขาจะที่ไหนรอกมันก็พวกเดียวกันมาด้วยกันอะไรด้วยกันนั่นแหละ หรือไม่ก็ว่าเอา้าเดี๋ยวก็เจอกันเดี๋ยวก็จากเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็เจอเดี๋ยวก็จากก็กอยู่กันอย่างนี้นั้นชีวิตในสังสารวัฏก็ได้เกี่ยวข้องกันเอ็กนานถ้าเกลียดจริงก็หนีไปเลยนะหนีด้วยอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8แต่ถ้าโทสะนี้เจริญมรรคไม่ได้เอานะถ้ามีโทสะเจริญอริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ไม่ได้จะต้องกําจัดอภิชาและโทมานต์จึงจะเจริญมรรคแดได้มันสังสารวัฏก็เป็นอย่างนี้แหละขอถวายพระพรมหาบพิตร สัตว์ผู้นับเนื่องในสัตตะนิกายแม้ทุกผู้สัตตะนิกายนิกายแปลว่าหมู่ในหมู่สัตว์ทุกผู้ก็แปล ว, ว่าเราเรา ân, รษษท่านท่านสรรพสัตวทั้งหมดเนี่ยนะไหลไปตามกระแสสังสารวัตรไหลไปตามกระแสแห่งสังสาระแปลว่าไหลไปตามขันไหลไปตามธาติไหลไปตามอายตนะไหลจากทวารหนึ่งสู่ทวารหนึ่งไหลจากขันหนึ่งไปสู่ขันหนึ่งไหลจากภพหนึ่งไปสู่ พบหนึ่งเป็นกรรมบ้างเป็นวิบากบ้างกิเลสบ้างเป็นกรรมวิบากและกิเลส โ, โครโจรเวียนไปเรื่อยเนี่ยนะนักบุญชูนะไหลไปถึงไหนมาบ้างแล้วเนี่ยนะไหลจังหวัดหนึ่งสู่จังหวัดหนึ่งจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งจากภาคหนึ่งสู่ภาคหนึ่งเนี่ยนะไปเรื่อยเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวขายเดี๋ยวธุรกิจเจริญเติบโตขึ้นจากประเทศหนึ่งสู่ประเทศหนึ่งนะนะเดี๋ยวก็จากพบหนึ่งสู่พบหนึ่งก็ไปเรื่อยอย่างนี้แหละสังสารวัฏ ผูกกระแสสังสารวัตมันพาไปบอกว่าใครพาไปบอกสังสารวัตนี่แหละขันธ์าตุอายตนะมันพาไปมั่งพาขันธาตุอายตนะไปมั่งอะอยู่นี่ยนะก็ย่อมประจุะนะการท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดเป็นไปยอย่างนี้บางครั้งก็ประจวบกับสิ่งที่น่าเกลียดหรือสิ่งที่ตัวเองเกลียดบ้างไปเจอกับสิ่งที่ตัวเองรักบ้างเนี่ยนะเพราะในชาติเดียวกันนี่เจอทั้งสิ่งที่ตัวเองชอบเจอทั้งสิ่งที่ตัวเองชังเนี่ยนะ ขอถวายพระพรเปรียบเหมือนว่าน้ําที่มีกระแสทําให้ไลหลบ่าไปแม่น้ําใหญ่ๆท่วมแล้วก็ไหลบ่าไหลพักได้เนี่ยนะย่อมไหลไปประจวบกับของสะอาดบ้างของสกรปรกบ้างเจอของดีบ้างเจอของเลวบ้างเพราะน้ําที่มันไลหลไปไม่ได้เจอแต่สิ่งดีๆอย่างเดียวใช่ไหมหรือไม่ได้เจอแต่ของสกรปรกอย่างเดียวแม่น้ำนัำ่นช่างว่าน้ําน้ําทะเลที่ไหลอย่างแม่น้ําโขง่ยไหลมาจากเมืองจีนนะ ไปตกถึงทะเลที่ประเทศเขมรเนี่ยนะผ่านกี่ประเทศผ่านเมืองจีนผ่านลาวผ่านไทยเนี่ยนะผ่านไทยผ่านลาวไปผ่านทะเลเขมรแล้วก็กว่าจะลงสู่ทะเลเนี่ยปะเป็นทะเลน้ําจืดแล้วก็กว่าจะไหลสู่ทะเลจริงเนี่ยนะถามว่าประสบเจอเจออะไรบ้างเจอทั้งน้ําสะอาดเจอทั้งน้ําสกปรกเจอทั้งซากสัตว์เจอทั้งสาส ร, งสรพัดอย่างเนี่ยเจอทั้งของดีเจอทั้งของเลวฉันได้ ขอถวายพระพรสัตว์ผู้นับเนื่องในสัตตานิกายแม้ทุกผู้หมู่สัตว์ทุกคนเหมือนนเถอะแม่เราแม่ท่านนี่แหละไหลไปตามกระแสสังสารวัตรถูกกระแสสังสารวัตรพาไปอยู่ย่อมประจวบกับสิ่งที่เกลียดบ้างสิ่งที่รักบ้างฉันนั้นเหมือนกันขอถวายพระพรพระเทวทัตบางคราวเป็นยักษ์เพราะอะไรเพราะตนเองไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาติที่เกิดเป็นยักษ์คือเป็นเทวดาแต่ว่าไม่ตั้งอยู่ในธรรมชักชวนผู้อื่นให้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมจึงหมกไม่อยู่ในมหานรกตลอด5้า็ดสล้านปีโอห้าร้ล้านปีเลยนะเพราะทําชั่วอาทําเทพบุตรที่ถูกแผ่นดินสูบครั้งนั้นเนี่ยนะอยู่ในนรก576ล้านปีคือมีอยู่ชาติหนึ่งอาธรรเทพบุตรคือพระเทวทัตเนี่ย เป็นเทวดาที่ชักชวนให้สัตว์ทําอาคุศลกรร ม, มบทชาตินั้นชักชวนให้มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยสั่งเสริมนะเออฆ่าสาาัตว์ซะรักทรัพย์ซะบุญบาปไม่มีรอกก็เป็นอาธรรมเทพบุตรชักชวนให้คนอื่นทําบาปเนี่ยนะแล้วก็ไปทะเลาะ ก, กับพระโพธิสัตว์เข้าไม่ยอมหลีกทางให้พระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็เรียกว่าหัวทิ่มลงแล้วก็แผ่นดินแหวก่ยนะก็ตกนรกประมาณ576ล้านปี ฝ่ายพระโพธิสัตว์คราวเกิดเป็นยักษ์นั่นเองก็ตั้งอยู่ในธรรมรักษากุศลกรรมบทและก็ชักชวนให้ผู้อื่นเจริญกุศลกรรมบดด้วยท่านก็บันเทิงอยู่ในสวรรค์พร่งพร้อมด้วยสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างตลอด576ล้านปีพระโพธิสัตว์อยู่ในเทวดาเนี่ยนะ576ล้านปีอีกคนหนึ่งตกนรก576ล้านปีมันต่างกันเยอะนะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย ขอถวายพระพรอีกอย่างหนึ่งในพบนี้พระเทวทัตเนี่ยท่านไม่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าผู้น่าเลื่อมใสดีเท่าพระพุทธเจ้าพระเทวทัตยังไม่เลื่อมใสเลยในตอนต้นเนี่ยนะทางได้ยุยงสงให้แตกสามคีนะทำไม่เลื่อมใสไม่ว่าจะฆ่าพระพุทธเจ้าอีกอนะวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าแล้วก็กลิ้งหินเพื่อจะฆ่าพระพุทธเจ้าอีกทั้งๆ ท, ที่น่าเลื่อมใสมาก บริษัทของพระพุทธเจ้าคือสงทั้งหลายพระเทวทัตก็ยุแยงตะแคงรั่วซะจนแตกราวรานเป็นหลายเสียงด้วยกันเพราะฉะนั้นก็จมลงในแผ่นดินเนี่ยนะตกอเวจีนอน เ, เนี่ยนะพระเทวทัตเนี่ยเรียกว่าท่อนเหล็กที่เสียบตัวเนี่ยเท่ากับอะไรเท่ากับต้นตาลแล้วก็ถูกไฟเนี่ยรนเรียกว่าไฟเนี่ยพุ่งจากทิศ ท, ทั้งหกเผาเนี่ยนะวันนี้ออกจากที่พักมาเห็นไก่มุนไหมอันไยน ไก่หมุนก็ถูกเสียบแล้วก็หมุนอยู่นั่นแหละนะดูไก่หมุนเอากันแล้วกันเนี่นะวิธีคิดง่ายๆว่าที่ถูกไฟเรยียกว่าเรายียกว่าความร้อนเนี่ยเข้าไปทุกอนูนเนี่ยเหมือนอะไรเหมือนไก่หมุนเนะี่ยไปดูไก่หมุนเถอะเสียบเหล็กโตเบิ่มเนกันนะมันเสียบได้ยังไงย่างหนักใจแทนนั่นเองกันเอ้ไปเสียบได้ยังไงนะเสียบตั้งกับ <S <S ก้นแบทะลุคอเนี่ยนะแล้วก็หมุนๆแล้วไม่ใช่หมุนทีละตัวนะหมุนทีละสิบตัวอย่างเงีนะแล้วไม่ใช่ไม้เดียวนะมีตั้งหลายไม้เนี่ยนะ มันก็บอกว่านี่ขนาดเห็นเห็นอยู่นะไม่กลัวก็แล้วไปแั้นนะฮะอาจจะถูกหมุนบ้างอะไรนะแล้วถ้าหมุนอยู่เป็นเด ร, รัชานก็ดีเด ร, รัชันดีกับตกนรกเยอะนะตกนรกดูที่มันเจ็บปวดขนาดไหนห้ารอยเจ็สิบกล้านปีเนี่ยนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกชั้นเนี่ยไอย้บางนรกเนี่ยอายุเกือบกลับอย่างเงี้ยอายุบางนรกเป็นอายุเป็นกลับเลยเงี้ย บางทีบางพวกในตกนรกกับแล้วสุ ก, กลับจากกลับหนึ่งไปกลับหนึ่งจากกลับหนึ่งไปกับหนึ่งเนี่ยนะบางคนนี่ตกนรกหลายกลับด้วยกันมั้นในโลกของการทําก่อกรรมทําชั่วนั้นจึงน่าสงสารเนี่ยนะใครจะไปเจ็บปวดแทนเราใช่ไหมมันพระเทวทัตเนี่ยจริงจแล้วท่านก็น่าสงสารเนี่ยนะเพราะว่าจิตที่ตั้งไว้ผิด ไปเจอผู้ที่มีศีลก็ไม่เลื่อมใสปกติแล้วผู้มีศีล น, น่าเลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสเนี่ยนะควรที่จะกราบควรที่จะไหวควรที่จะบูชาควรที่จะเคารพสักการะก็กลับทําตรงกันข้ามแทนที่จะมอบดอกไม้ให้ก็กลับมอบก้อนหินถวายเนี่ยนะก้อนหินก็ไม่ใช่ก้อนเล็กๆเนี่ยนะก้อนแบบชนิดที่เรียกว่าตายอย่างเลียวแทนที่คนอื่นเข้าไปมอบอาหารถวายถวายปัจใจเสียก็ไปสั่งคนให้มอบธนูถวายอย่างเงี้ยนะ คนอื่นเข้าไปกราบไหว้พระสงฆ์อันนี้สั่งยุแยงตะแคงรั่วให้สงแตกร้าวกันพราะฉะนั้นบาปประกรรมเหล่านั้นเนี่ยไปเก็บไปไหนเพราฉะนั้นบาปนี่จึงน่ากลัวมากนะเวลามันให้ผลแล้วก็เจ็บปวดเนี่ยนะฉะนั้นถูกมุนอยู่ในนรกอีกกี่รอบก็บไม่รู้ถูกย่างเป็นๆ เ, เนี่ยนะเขาบอกว่าไม่ตายตราบเท่าที่ไม่สิ้นกรรมเนี่ยนะถ้าสิ้นกรรมมาแล้วไม่ใช่ว่ากรรมมันให้ผลแต่ในนรกอย่างเดียวนะเศษเรกรรมตามมาให้ผลอีกกี่ครั้งพระเทวทัพนี่ถูกปอง ถูกเข้าจะกฆ่าอีกไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติเพราะเจตนาที่คิดฆ่าพระพุทธเจ้าครั้งนี้มันเจตนาที่เผ็ดร้อนมากๆเนี่ยนะมันจะให้ผลแล้วก็หนึ่งหนึ่งคูณพันล้านเนี่ยนะหนึ่งคูณหมื่นล้านเนี่ยเจตนาคิดฆ่าพระพุทธเจ้าครั้งเดียวเนี่ยมันตามฆ่าเท่าไหรต่อเท่าไรเนี่ยนะเพราะบาปเหล่านั้นเนี่ยนะมันน่ากลัวขนาดไหนเพราะถ้าเป็นไปได้เนี่ยบาปไม่ทำมันดีที่สุดเนี่ยนะถ้าใครกลัวต่อทุกข์ก็อย่าทำชั่วถ้าทำชั่วให้เหาะนี้เลยอ๋อ ถ้าใครเคยเห็นเครื่องบินระเบิดกลางอากาศแล้วก็จะไม่แปลกใจให้เหาะ อ, อยู่บนอากาศมันก็ไม่รอดเนี่ยนะไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแต่ถ้าทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามอย่างเช่นพระตถาคตพระองค์ก็ตรัสรู้ทมทั้งปวงนะตรัสรู้สังขารวิการบัญญัตินิพานทุกชนิดเนี่ยนะสังคตะอสังคตะอดีตอนาคตปัจจุบันพระองค์ตรัสรู้หมดโดยไม่มีส่วนเหลือด้วยบารมีที่พระองค์สั่งสมมาด้วยพุทธด้วยอนุภาพของปัญญา ในที่สุดพระองค์ก็เป็นผู้ดับกิเลสดับราคะโทสะและโมหะเป็นต้นได้หมดแล้วทาอุปธิให้สิ้นแล้วเนี่ยนะทำขันเป็นที่รองรับผลบุญผลบาปทำลายอุปธิคือขันได้หมดสิ้นแล้ ว, พ ร, วพระเจ้าเมรินก็บอกษาทุดีจริงพระคุณเจ้าคัาพระเจ้าขอยอมรับคำตามที่ท่านกล่าวมานี้ นะก็ยอมรับว่าใช่นะว่าอาจจะเจอกันบ้างหลายครั้งแต่ว่าจริงๆแล้วนานมากนะกว่าจะได้เจอกันไม่ใช่ว่าเดี๋ยวก็เจอกันเนี่ยนะมองว่าเดี๋ยวก็ไปเจอกันเดี๋ยวก็เจอกันนานมากที่จะได้เจอกันมันนานกว่าจะได้เจอกันก็จะทะเลาะ ก, กันไปทําไมเนี่ยนะจะเบียดเบียนกันไปทําไมจะเป็นอกุศลจิตต่อกันทําไมอย่างนั้นไม่ใช่ว่าจะเจอกันอีกง่ายๆ่หรอกนะเนี่ยนะอีกนานก็จะได้เจอกันเหมือนเต่าตาบอดอย่างนั้นเออที่จะเจอสัวมาเจอบ่วงเนี่ยนะ รู้จะผูกเวรผูกกรรมมันไปทำไมเนี่ยไง